ไปคนน um ่างกบเปลี um. um. k k. K k. ่ยนใจฉันที่ผมจำไม่นด้ก็อาจจะงงว่าทำเพื่ออะไรผมนัเปิดตัวเองเสมอมาจดเรื่องราวทุกๆคนที่ได้เจอมาแม้วันนี้มีมีเธอแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันยังพบเจอในความฝันไงเธอไม่เข้าใจไม่เคยเข้าใจฉันจริงจริงแ่อยากให้เธอเข้าใจเข้าใจฉันทุกๆสิ่งรักเธอนะเบบี้แต่คงได้แค่ได้จิตใจนกเ็เอาไว้นะ Just be the truth. เธอคงยังไม่เข้าใจใช่แต่ในความเป็นิงก็อยากให้เธอได้เข้าใจนะทุกทุกถึงกับฉันเทากับเพื่อนความหมายในเพลงนี้แน่นอก็เพื่อเธอว่าฉันน่ต้องการรักเธอคนเดียวไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวฉันยังคงรักเธอคนเดียวนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอนั้นรักใครนะ Baby please o oh n baby please รักเธอคนเดียวนานในตอนนี้คิดถึงเธออยู่นั่นเลย d e a I love you yeah I love you ฉันรักเธออยู่นะ เธอคงไม่รู้หรอกเพราะฉันรักเธอในจินตนาการของฉันคนุเดียวกอเธอเอาไว้ในจินตนาการแม้มันจะไม่มีทางที่จะเป็นความจริงไม่ได้คิดจะอ้างอิงถึงยิงง่งในเพราะในใจฉันมีเ่อกเธอเอาไว้ใน